คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะปกติแล้วพระองค์จะตรัสตามลำดับคือตรัสทานศีลนิฆัมมะทานศีลสวรรค์โทษของกามเนิฆัมมะแล้วก็สรุปด้วยการประชมอริยสัจเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงธรรมให้กับพวกที่มีอินทรีย์ไม่แก่กล้านะถ้าสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้านั้นประกาศอริยสัจได้เลย นะอย่างเช่นพระอัญญาโกนทัญญาเนี่ยนะปกติอย่างเช่นกลุ่มพระัญยาโกนทัญญากลุ่มเหล่านี้ถือว่าอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะตรัสรู้รมได้พระองค์ก็ประกาศอริยสัจได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วๆไปโดยมากมสัพทินทรีย์เป็นต้นยังไม่มีโดยเฉพาะกรรมสกตาศรัทธานั้นยังไม่ดีพอพระองค์ก็จะแสดงให้เขามีกรรมสกตาตอกย้ำให้กรรมสกตาปัญญานั้นมีกำลังเมื่อกรรมสกตา ดีการที่จะประกาศอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อตัดกรรมคำว่าตัดกรรมนั้นหมายคำว่าตัดกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้กรรมให้ผลพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อตัดกิเลสเพราะว่าถ้าสิ้นกิเลสก็เป็นอันว่าสิ้นกรรมถ้าหากว่าสิ้นกรรมกรรมไม่สามารถให้ผลนําเกิดได้วิบากทั้งหลายก็เป็นอันสูญสลายไปเพะฉนั้นอริยมรรคคือไตรสิกขา ไตรสิกขาที่ประมวลมาเป็นอริยมรรคข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อสิ้นกิเลสเพราะว่าสิ้นกิเลสแล้วก็เป็นอันสิ้นกรรมนการที่จะประกาศให้เขาเจริญข้อปฏิบัติทั้งหลายที่เป็นอธิศีณอธิจิต อ, อธิปัญญานั้นจะต้องประกาศให้เขามีกรรมสกาให้มีความรู้ความเข้าใจในสังสารวัฏพอสมควรนันพระองค์จึงแสดงเรื่องทานพร้อมกับ ผลของการให้ทานแสดงเรื่องศีลอันนิสงของการรักษาศีลผลแห่งการให้ทานรักษาศีลทำให้เกิดในสวรรค์แล้วก็กล่าวถึงความสุขในสวรรค์พระพุทธเจ้านี้ประกาศอริยสัจ ต, ต่อจากทุกหรือต่อจากสุขต่อจากสุคนะนะโดยทั่วๆไปนั้นพระพุะองค์จะประกาศอริยสัจเนี่ยนะให้คนที่เข้าใจความสุขดีฟัง แต่คนที่กำลังเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งเนี่ยนะยากพระที่เจ็บป่วยแล้วบรรลุนะมีอยู่องค์เดียวหรือสององค์เท่านั้นเองไม่มากระหว่างที่แม้ป่วยหนักมากอ า, าพาธเป็นไข้หนักแล้วบรรลุนะมีไม่กี่องค์โดยมากแสดงให้คนที่กำลังมีความสุขนั้นบรรลุมันทุกข์ก่อนแล้วค่อยศึกษาธรรมะเข้าใจยากแต่ถ้ามีความสุขแล้วศึกษาธรรมะเข้าใจไม่ยากเนี่ยนะปัญญานี้มี ส, สมาธิและมีความสุขเป็นเหตุใกล้ มีความสุขสมาธิปัญญาจึงจะเกิดแต่ถ้าคนเครียดนะมันคิดอะไรไม่ออกเอาคิดง่ายง่ายนึกว่าตอนที่เรามีความสุขคิดอะไร ง, ง่ายกว่ากันปัญญาตอนไหนทํางานได้ดีกว่ากันเนี่ยนะตรงไหนสติปัญญาแล่นดีกว่ากันเพราะตอนที่เรามีความสุขเพราะบางคนเนี่ยนะไปบอกว่าทําให้มันเจ็บปวดแล้วจะได้เข้าใจถึงทุกข์บอาคุณไม่ทุกข์เท่าอยู่ในนรกหรอกแต่เคยได้ยินไหมว่าสัตว์นรกบรรลุไม่มีนะเคยได้ยินไหมว่าพวกเดราชาบรรลุทั้ ง, ท, งทั้งที่ทุกข์เจ็บปวดเนี่ยนะ นักโทษในสงครามทั้งหลายเห็นอริยสัจเคยได้ยินไหมเขาจมอยู่กับความเจ็บปวดบอกไม่แต่เราเทวดาทั้งหลายเป็นต้นผู้ที่มีความสุขมนุษย์ที่มีความสุขพอได้ยินได้ฟังคําสอนอริยสัจของพระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์อาลัยสัจก็จรงิงแต่ไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์แต่สอนให้รอบรู้ในกองทุกข์จะได้ตัดฉันนราคะในทุกเหล่านั้นซะเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุให้เกิดทุกขก็คือความเพลิดเพลินใน ทุกความเพลิดเพลินในวัตถุทุกนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดในวัตถุทุกอีกต่อไปมันสอนให้รู้จักความจริงของวัตถุทุกแล้วก็ตัดฉันทราคะงนั้นพื้นฐานของคนที่ละฉันทราคะได้นั้นกลับเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์เลยยิ่งพรมแล้วบรรลุง่ายเทียบเทวดากับพรมไหนบรรลุมากกว่ากันบอกพรมบรรลุมากกว่าพรมนี้ไม่มีความเจ็บปวดนะเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีพรมไม่เครียดพรมไม่มีโทสะ พราอมไม่มีความเจ็บปวดโดยประการใดๆพรบ ม, มนลุมากกว่ามันบรรลุง่ายมากถ้ายิ่งอรูปประพร้อมแล้วบรรลุง่ายกว่ารูปประพรมะม้รพรมถ้าเขาเป็นพระโสดาบันไปแล้วถามว่าทําไมเพราะจิตของเขาเบาอ่อนควรแก่การงานนี่นนะเขาเข้าวัดกันที่ว่าข้อปฏิบัติปฏิบัติได้เร็วได้มากอยู่เทราว่าจิตเบาไหมจิตอ่อนไหมจิตควรแก่การงานไหมอะไรเงี้ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับอึดอัดเต็มที่ท้องอึดผะอึดผ ะ, ะอม สวดธรรมจักเลยเอ๊ว่าเมาสูตังอะะถึงสาบรรทัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะอาจจะรำคาญก็ตามอีกนั่นแหละใช่ไหมเชื่อเถอตอนที่เราเนี่ยสุขภาพดีดีสวดมนต์ตอนป่วดตอนเมื่อยกับสุขภาพดีๆีไหนสวดสนุกกว่ากันฟังธรรมก็เหมือนการเอาป่วยเนี่ยนะป่วยเหมาพูดธรรมะให้ฟังเนี่ยแม้ถ้าเทศดีก็เสมอตัวใช่ไหมขัดหูนิดหน่อยก็เอาแล้วน่ยนะมันยากเหมือนกันนะเพราะความทุกข์นั้นเนี่ยนะ ไม่ไม่จําเป็นต้องให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์แต่ให้ใจเนี่ยเข้าใจว่าทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะสังขารทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเมื่อมีปัญญาเท่าใดเนี่ยนะความสุขก็จะมีเท่านั้นมันก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าพระพุทธเจ้าจะประกาศอริยสัจต่อเมื่อคนเข้าใจขึ้นความสุขแต่อยากได้ความสุขที่ดีกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าก็มีคนหนึ่ง ไปรบได้ชัยชนะกลับมาประราชาบอกเออมีความรู้มีความสามารถดีเหลือเกินพ่อนุ่มอยา ง, งี้ยนเธอไปเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าปกครองดูแลหมูบหม่บ้านหนึ่งหมู่บ้านยกให้เลยกินสวยทั้งหมู่บ้านเลยภาษีอากรทั้งหมดที่มีในหมู่บ้านนั้นเป็นสิทธิของเธอแต่เพียงผู้เดียวอ่าไปโ อ, อ, อ, อ้หมู่บ้านนั้นนะมันก็จนนะเอาแบบนี้แบบไปเอาหมู่บ้านตนํยาบลใหญ่ๆเลยดีกว่ามันรซับเยอะกว่านั้นถามว่าเขาจะเอาไหม ถ้าเทียบว่าเอาตำบลที่ใหญ่ที่มีภาษีมากกว่าดีกว่าเศรษฐกิจฐานะดีกว่าอย่าไปเป็นเลยผู้ใหญ่บ้านมันกระจอกอะเป็นนายตำบลดีกว่าดูแลระดับตำบลบอกแม้ระดับตำบลเธอก็ยังเล็กไปนะถ้าเทียบกับความสามารถของเธอเธอเป็นนายอำเภอแล้วกันดูแลอำเภอสิทธิของทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดเป็นแต่ของเธอบอกอำเภอนั้นมันอยู่ชายแดนเอางี้เลยกินชนบทเลยรวบจังหวัดเลยกลุ่มระดับปกครองระดับภาคเลยบอกท่า น, นก็ยังไม่ดีเอาเนี่ว่ะเอาเอ า, เอาตำแหน่งเป็นพระราชาไปเลยดีกว่า ะถามว่าคนจะเอายิ่งยิ่งขึ้นไปเลยไหมบอกเอาฉันใดการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะแสดงตามลำดับลักษณะนั้นเอางี้น ะ, ะถ้าเธอทําชั่วนรกใช่ไหมบอกถ้าเธอทําอย่างนี้มนุษสมบัติเอมนุษสมบัตินี่มนุษย์นี่มันก็โชคนะสวรรค์ดีกว่าเยอะเนี่ยนะเก็เห็นด้วยกับสวรรค์เออสวรรค์ถ้าเทียบกับสวรรค์เทียบกับพรหมอุ้ยพรมดีกว่าสวรรค์เทียบกันไม่ติดหรอกถ้าเทียบกับนิพพานนะพรมเนี่ยก็คือสังสารวัต พรมเนี่ยนะถ้าเป็นสังขารธรรมสังขารธรรมพระองค์บอกว่าเสมอด้วยอกักเสมอด้วยคูดว่างั้นเถอะนะพอจำนวนในอัตถกถาท่านบอกว่าถึงพรมมาโลกก็ยังเกลือกล้วนในสังขารธรรมสังขารธรรมก็เป็นเหมือนกับคูดคูดแม้มีจํานวนเล็กน้อยก็ยังเหม็นฉันใดสังขารธรรมก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้สุกจริงหรอกองค์ก็สอนอริยศัสตร์ตรัสรู้ก็ถือว่าสุดยอดเลยใช่ไหม เคยได้ยินไหมผ้าทหารทั้งหลายบอกท่านเสียใจเหลือเกินท่านไม่มีโอกาสได้บริโภคเบญจา ก, กามคุณแม้ท่านน่าจะได้ปกครองราชสมบัติก่อนนะพระหุ่นพอเป็นพผ้าทหารบอกแม่น่าจะกลับไปเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิก่อนแล้วค่อยมาเป็นผ้ารหารเขามีใครเขาคิดอย่างนี้ไหมบอกไม่มีเพราะเขาได้สุขที่ดีกว่าสุขที่ประณีตมากกว่าบางคนเข้าใจไม่ไม่ถูกคิดว่าโอ้ศึกษาธรรมะต่อเมื่อทุกบอกว่ายากเนี่ยนะถ้าไมไม่สบายใจแล้วยากเนี่ยนะ เอาเหอเข้ามาไม่สบายใจเนี่ยให้เข้ามามาพูดเรื่องทุกเข้ามาก็พูดไม่ออกเหมือนกันเถอะคนที่กําลังเป็นทุกพูดเรื่องทุกไม่ได้พูดยากเข้าใจยากนี่ย น, นะบอกท่านสมวตต์ว่มีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าโยมแล้วก็อย่างนี้เลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะพูดว่าอะไรว่าเอาเดี๋ยวไปช่วยตัวเองก่อนแล้วกันเอ้าก็เราเองก็ยังไม่สบายใจใช่ไหม มันก็ก็เป็นอย่างนั้นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นธรรมะอย่ารอให้ไม่สบายใจก่อนแล้วค่อยศึกษาต้องรีบศึกษาช่วงไหนที่ชีวิตยังมีความสุขช่วงที่ยังแข็งแรงสติปัญญายังเป็นของตนไม่ต้องสมองฟอกก่อนแล้วค่อยมาเรียนธรรมะเพื่อสมองมันจะฟูขึ้นมัง้ง น, นะไม่ยากอย่างนั้นแต่มันแฟบแล้วยากสมองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันรอให้สุขภาพเสียหายก่อนแล้วมันยากแก้ไขา ย, ยากนั่งมากก็ลําบากมันถ้ามีโอกาสรีบวรขวนขวายศึกษาไปเถอะ แล้วก็ศึกคำว่าศึกษาเนี่ยให้จิตเนี่ยเป็นไปตามคำสอนให้บ่อยให้มากให้เกิดบ่อยๆและเกิดเป็นปกติอัธยาศัยนันพระองค์ก็จะแสดงธรรมนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งเป็นบุญของพระองค์ที่สั่งสมมาเพื่อที่จะสั่งสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้แจ้งตามเนี่ยนะเขาฟังธรรมเขาจะเห็นแจ้งสมาทานอาจานแล้วก็ร่าเริงในธรรมมีกถา คำว่าเห็นแจ้งเนี่ยพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เขาฟังจบโดยมากเขาจะเห็นแจ้งเลยว่านี้คือประโยชน์โลกนี้เป็นอย่างนี้นี้ประโยชน์โลกหน้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนทันทีบอกเธอจงละคลายปล่อยวางไปเลยไม่พระองค์จะสอนให้รู้จักประโยชน์ก่อนประโยชน์โลกนี้คืออะไรเนี่ยนะมองชีวิตตลอดเส้นทางกว่าวันนี้จวบวันตาย น, นะ่ยนะประโยชน์โลกนี้รวมทั้งประโยชน์ของลูกของล้านเป็นต้นต่อไปด้วยเนี่ยนะเรียกว่าประโยชน์โลกนี้ที่ตนในฐานะ ที่ควรประพฤติป ฏ, ฏิบัติทําได้แล้วประโยชน์โลกหน้าของตัวอีกต่อไปละ่ะแล้วประโยชน์อย่างยิ่งละ่ะพระองค์ก็แสดงถึงเพื่อจะให้เข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งพออะระ <house> องค์ก็บอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานะสิ่งที่เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อะไรไม่เที่ยงขันไม่เที่ททยงธาตุไม่เที่ยงอายตนะไม่เที่ยงแต่มันเป็นไปตาม ชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยก็ตามแนวปฏิจจสมุปบาททำที่อาศัยการเกิดขึ้นนี่ปฏิจจสมุปบาทการเกิดขึ้นของขันห้าเนี่ยนะรูปเกิดโดยอาการหดับโดยอาการห้าเวทนาเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการหสัญญาสังขารและวิญญาณเกิดโดยแต่ละอย่างเกิดโดยอาการห้าและดับไปโดยอาการห้าเขาฟังและเขาเข้าใจรู้เลยว่าประโยชน์โลกนี้เป็นยังไงประโยชน์โลกหน้าเป็นยังไงถ้าจะเข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่ง ดับสังสารวัตรทำอย่างไรรู้เลยว่าเหตุเกิดของสังสารวัตรโ ด, ดยอาการ 5, 25ดับแห่งวัตฏะโดยอาการ25เพราะเขาเห็นประโยชน์โลกประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้ได้เพราะเขาเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์เพราะเห็นโทษในในเพราะว่าถ้าไม่แทงตลอดอริยสัจไม่รู้อริยสัจไม่บรรลุอริยสัจปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนรกของใคร นรกเป็นของปุถุชนทั้งหลายเป็นของคนที่ยังตัดชั้นทราคาไม่ได้เนี่ยนะตัดฉั้นทราคะตัดอะไรในวัฏตะไม่ได้นรกเดรัชานเปรตอสุรกายแล้วก็วิบากของกุศลและอกุศลพระองค์ก็แสดงวัฏตะและวิวะะัฏฏะซึ่งคนสมัยก่อนเขาฟังเขาเข้าใจทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเขาอันนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเข้าใจอย่างที่พระองค์ต้องการให้รู้แต่จริงพระองค์อมีบุญมาก พระองค์รู้นะว่าพระองค์ใช้คําไหนแล้วเขาเข้าใจแค่ไหนเนี่ยพระองค์รู้เช็คได้ตรวจได้ของเราต้องคอยถามอะไรที่พูดมานี่เข้าใจไหมบอกเข้าใจบอกเข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจอย่างที่ฉันเข้าใจคุณก็เข้าใจอย่างหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าองั้นเอาเข้าใจไหมเอาก็เข้าใจแต่มันเข้าใจคนละอย่างโอ้ยลึกซึ้งจริงจริงวะลึกซึ้งยังไงเล่าให้ฟังบอกออไม่น่าเชื่อเลยว่าเราพูดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้แบบนั้นเนี่ยนะอย่างบางคนเนาะขำเลยเขไปที่ไหนนะเขาไปอ้างคําของเราว่าท่านว่าอย่างี่ง เออเราเรานึกไม่ออกว่าเราเคยพูดอย่างนี้วางั้นอ๋อเขาไปแปลงเป็นภาษาความเข้าใจไปแล้วแต่ที่แน่ๆว่ามันคนละเรื่องกับไอ้ที่เรากําลังบอกเออมันได้อย่างงี้เขาสรุปว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจเข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจอย่างคุณก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเข้าใจอย่างผมเองอย่างนี้นะแต่อย่างนี้ก็ลําบากท่านศึกษาคําสอนแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเข้าใจเลยพูดจบปั๊บเขาเข้าใจว่าอย่างไรความเข้าใจของเขาแค่ไหน ไอตัวความเข้าใจคือตัวปัญญาตัวนั้นอะ่ะเจริญเติบโตได้ไหมแล้วปัญญาระดับต้นหรือระดับกลางหรือระดับที่สุดแล้วอ่ะเป็นแค่วาสนาหรือเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้พระองค์เช็คปัญญาของเขาได้เช็คปัญญาได้เช็คสมาธิได้เช็คสติได้เช็ควิริยะได้เช็คศรัทธาได้เช็คความเจริญอินทรีย์ได้เรียกว่าอินทรีย์โปรปริยติยานของพระองค์วั้นพระองค์ก็สามารถแสดงแสดงอริยสัจให้เขาเข้าใจเลยนะ บางทีอย่างอย่างสมัยเราๆเนี่ยนะพูดไปนึกว่าเขาเห็นด้วยที่ไหนได้เขากําลังเตรียมจะว่าเขาจะเตรียมประท้วงว่าหาโอกาสที่จะขัดคอตรงไหนกันนั่นเองก็ว่าอะไรนะทำท่าเหมือนเห็นด้วยตลอดเลยแบที่ไหนได้เขารอว่าเมื่อไร่จะพูดจบจะเอาคืนเมื่อไงค่าแบบนี้นะเพราะฉะสมัยมันมันต่างกันเยอะบุญมันแตกต่างกันแต่ว่าเรามาศึกษาในฐานะว่าสมัยก่อนเขารู้อะไรเขาเข้าใจอะไรเขาเข้าใจว่าอย่างไรเพราะฉนนั้ที่สําคัญว่าเมื่อเขา ฟังทมจากพระพุทธเจ้าจบเขารู้เลยว่าถ้าทำอย่างนี้นี่คือทางแห่งนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นต้นถ้าปฏิบัติเช่นนี้ทางแห่งสุคติโลกสวรรค์ถ้าทาอย่างนี้นะเทวโลกหกชั้นทาอย่างนี้พรหมโลก9้าชั้นถ้าปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้ทำที่สุดแห่งทุกได้เขาเห็นแจ้งพอเขาเห็นแจ้งอย่างนั้นปั๊บสมาทานสมาทะเปสิถือเอากลยานธรรมปาริสุททิศีลทุดงเซอ บริสุทธิ์ที่ศีลสีหรือว่าความบริสุทธิ์แหง่งศีลสี่ทุดงและกระถาวัตถุเป็นต้นถือเอาเลยถือเอาข้อปฏิบัติถือเอาวิสุทธิทั้งหลายเริ่มต้นแต่ศีลและวิสุทธิเป็นต้นโดยลําดับเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าข้ อ, อ, อปฏิบัติเพื่อนําออกจากสังสารทุกข์เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตทุกข์เป็นอย่างไรและจะเริ่มต้นปฏิบัติเพื่อดับวัตทุกข์อย่างไรก็สมาทานถือเอาข้อปฏิบัติไม่ใช่ฟังจบปั๊บโอไม่มีอะไรอย่างนั้น เอาก็มันไม่มีอะไรอย่างเง้ยเขามีเขามีรัฐที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระเจา้าอังคติราชไปฟังคุณาชีวกัสปะโคตเทศให้ฟังนะเขาเป็นนักบวชน่งลมหฮมอากาศไปถึงก็บอกโอ้ยกรรมดีกรรมชั่วมีหรอกคนเรามันแล้วแต่เคราะหแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาว่างั้นนะมันคนมันจะต้องเวียนไหยตายเกิดเท่านั้นเท่านี้ทายที่สุดนะับพา น, นบัดนดิติพานเหมือนกันหมด มันก็ไม่มีอะไรเพันแล้วแต่สุดแทแต่โชคแต่วาสนาเป็นต้นนะนะเออพระเจ้าอังคดีราชพอฟังปั๊บโออจริงแท้เออมันก็จริงนะแล้วมีพวกระลึกชาติมาช่วยเล่าให้ฟังอีกอืยืนยันชัดเจนถูกต้องกลับไปนะบอกซีนก็ไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมันตกนรกมันมีรอบของมันมันต้องนรกกี่ครั้งขึ้นสวรรค์กี่ทีเป็นอะไรไปกี่รอบกี่รอบแล้วในที่สุดมันก็นิพพานหมดเหมือนกลุ่มได้ที่คลี่คลี่ไปเนี่ยนะใครเคยถักไหมพรมไหม นี่คลี่ไปแล้วมันก็สูตรมันเองสังสารวัตรเวียนตายเวียนเกิดแล้วมันก็ไหนที่สุดมันก็ข้ามมันไม่มีอะไรในที่สุดพวกคนก็นิพานหมดเลยมันก็กลับไปกลับไปถึงวังกินเหล้าเมายาผิดกาเมเป็นต้นเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนั่นนะเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาแล้วก็เข้าใจไม่ตลอดสายแทนที่จะสมาทานยึดถือปฏิบัติกุศลตรงกันข้ามไปเจริญอกุศลอา้าวเจริญอกุศลเอาเป็นต้นเพราะแสดงว่าไม่ได้เข้าใจตามที่พระองค์สอน ถ้ายิ่งเข้าใจเท่าใดเนี่ยนะถามว่าในโลกนี้ใครศีลดีที่สุดบอกพระพุทธเจ้ามีศีนมากที่สุดเนี่ยนะวิสุทธิทั้งหลายทุกข้อใครจะมีใครหนอจะมีคุณธรรมเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นพระองค์มีพระคุณที่สูงสุดเช่นนี้เช่นนี้ น, นี่แหละพระองค์ก็เลยสามารถที่จ ะ, อะบอกกล่าวถ้าพระองค์ไม่มีศีนพระองค์จะสอนศีนคนอื่นได้อย่างไร พระองค์ไม่มีสมถะไม่มีวิปัสนาจะสอนให้เขามีสมถะวิปัสนาได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่แทงตลอดอริยศาสตรพระองค์จะสอนให้คนอื่นตรัสรู้อริยศาสตร์ได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่ถือเอาข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติและจะบอกให้คนอื่นปฏิบัติในศีลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเขาเข้าใจแล้วก็สมถทานที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าสมาทัพเปสิกเรียกว่าเมื่อฟังธรรมจบนะก็เห็นแจ้งสมาทาน ต่อไปสมุตเตเชสิให้อาถานให้อุตสาหะยิ่งขึ้นไปหมายคำว่ารักษาศีลก็ไม่ใช่ว่ารักษาบอกว่าอะไรนะรักษารอวันเลิกไม่ใช่ น, นะมีแต่แบบรักษาแบบแหมงน้อยเลยนะเหมือนกับว่าโยนภาระมาให้เราคือคือถ้าคนที่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจเหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าโยนภาระมาให้ตัวเองว่าตัวเองต้องมารักษาศีลตัวเองต้องมาเจริญสมถะตัวเองต้องมาเจริญวิปัสนามันเป็นมหาภาระเหลือเกินไม่แต่นี้อุตสาหะมีใจมั่นคงมีความแก ล, กล้ว่ะนี่นะเป็นทางรอดของเรา